ความอิจฉาริษยาคืออะไรความอิจฉาริษยาหมายถึงความไม่พึงพอใจในสิ่งที่เธอเป็นอยู่จึงริษยาผู้อื่นใช่หรือไม่การไม่พอใจสิ่งที่ตนเป็นอยู่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความริษยาเธอต้องการเป็นเหมือนคนอื่นซึ่งมีความรู้มากกว่าสวยกว่าหรือมีบ้านหลังใหญ่กว่า มีอำนาจมากกว่าตำแหน่งสูงกว่าเธอเธอต้องการเป็นคนดีกว่านี้เธอต้องการรู้วิธีเข้าสมาธิที่ดีกว่าเธอปรารถนาจะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าเธอต้องการจะเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เธอเป็นอยู่ดังนั้นเธอจึงอิจฉาริษยา การที่จะเข้าใจสิ่งที่เธอเป็นอยู่นั้นเป็นเรื่องยากยิง่งเพราะจำเป็นต้องเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากความอยากที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ตนเป็นอยู่ให้เป็นอย่างอื่นความอยากจะเปลี่ยนตนเองก็ให้เกิดความอิจฉาริษยาทว่าการเข้าใจสิ่งที่เธอเป็นอยู่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ของสิ่งที่เธอเป็นอยู่ แต่ระบบการศึกษาปัจจุบันผลักดันให้เธอพยายามเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเธอและเมื่อใดที่เธอแสดงอาการอิจฉาริษยาจะมีคนบอกเธอว่าอย่าอิจฉาริษยามันเป็นสิ่งเลวร้ายเธอจึงดิ้นรนที่จะไม่อิจฉาริษยาแต่การดิ้นรนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของความอิจฉาริษยาเพราะเธอปรารถนาจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปเธอทราบไหมว่าดอกกุหลาบงามก็คือดอกกุหลาบงามแต่มนุษย์มีความสามารถในการคิดแต่กลับคิดอย่างผิดๆการรู้ว่าควรคิดอย่างไรนั้นจำเป็นต้องเข้าใจและมองให้ทะลุโ ป, ปร่ปรง ส่วนการรู้ว่าจะคิดอะไรค่อนข้างง่ายกว่าระบบการศึกษาปัจจุบันมุ่งสอนว่าเราควรคิดเรื่องอะไรแต่ไม่สอนว่าคิดอย่างไรค้นหาสอบสวนมองให้ทะลุปรุกปโปงได้อย่างไรและเมื่อใดที่ครูและนักเรียนรู้ว่าจะคิดอย่างไรคําว่าโรงเรียน จึงจะมีคุณค่าสมชื่ออย่างแท้จริงทำไมหนูจึงไม่เคยมีความพึงพอใจสิ่งใดเลยเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งถามคำถามนี้ฉันแน่ใจว่าเธอไม่ได้ถูกใครกระตุ้นให้ถามทั้งๆที่ยังอ่อนเยาว์เธอต้องการรู้ว่า ทำไมเธอจึงไม่เคยรู้สึกพอใจในสิ่งใดเลยผู้ใหญ่อย่างพวกคุณจะว่าอย่างไรนี้เป็นสิ่งที่พวกคุณทำให้เกิดขึ้นกับเด็กคุณสร้างโลกนี้ซึ่งเด็กเล็กๆถามว่าทำไมเธอจึงไม่เคยรู้สึกพอใจสิ่งใดเลยพวกคุณได้ชื่อว่าเป็นนักการศึกษา แต่คุณกลับมองไม่เห็นโศกนาฏกรรมของเรื่องนี้คุณทำสมาธิแต่คุณกลับทื่อทึบเฉยชาอ่อนเปลี้ยในจิตใจคุณเหมือนคนตายซากเหตุใดมนุษย์เราจึงไม่เคยรู้สึกพึงพอใจเพราะว่าพวกเขาต่างพากันแสวงหาความสุขแล้วคิดว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเขาก็จะมีความสุขไม่ใช่หรือพวกเขาจึงเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปอีกงานเปลี่ยนจากความสัมพันธ์หนึ่งไปหาความสัมพันธ์ใหม่เปลี่ยนศาสนาหรืออุดมการเพราะคิดว่าจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นนี้พวกเขาจะค้นพบความสุขหรือมิฉะนั้น เขาก็จะเลือกวิถีชีวิตที่เรื่อยเฉยแล้วจมปลักอยู่กับมันแน่นอนว่าความพึงพอใจแตกต่างไปจากที่กล่าวมานี้อย่างสิ้นเชิงความพึงพอใจในชีวิตเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเธอมองเห็นตนเองอย่างที่เธอเป็นอยู่โดยไม่อยากเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอีกไม่ตำหนิติเตียนเปรียบเทียบ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเธอยอมรับสิ่งที่เธอเป็นอยู่แล้วหลับไหลแต่เมื่อใดที่จิตใจของเธอไม่เปรียบเทียบไม่ตัดสินดีเลวไม่ประเมินค่าแล้วเท่านั้นจึงจะมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นขณะขณะได้โดยไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมันการเห็นตามเป็นจริงเช่นนี้แหละคือความเป็นนิรันดร ทำไมเราจึงต้องอ่านหนังสือฟังให้ดีนะฟังเงียบๆ เ, เธอไม่เคยถามว่าทำไมเธอจึงต้องเล่นทำไมจึงต้องกินทำไมจึงต้องมองดูแม่น้ำและทำไมเธอถึงใจร้ายเธอเคยถามไหมเธอรู้สึกต่อต้านและถามว่าทำไม เธอจึงต้องทำอะไรบางอย่างเธอถามก็ต่อเมื่อเธอไม่ชอบทำสิ่งนั้นแต่การอ่านหนังสือการเล่นการหัวเราะการใจร้ายและการเป็นคนดีการมองดูแม่น้ำหรือก้อนเมฆไม่ว่าเธอจะชอบหรือไม่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าเธอไม่อ่านหนังสือ ไม่รู้จักเดินเล่นไม่สามารถชื่นชมความงามของต้นไม้ใบหญ้าเธอก็หามีชีวิตอยู่ไม่เธอจะต้องเข้าใจทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่เพียงส่วนเล็กๆของมันด้วยเหตุนี้เธอจึงต้องอ่านต้องมองดูท้องฟ้าต้องร้องรำทำเพลงเขียนบทกวีต้องทุกขทรมาน และมีความเข้าอกเข้าใจเพราะทั้งหมดนั้นคือชีวิตความอายคืออะไรเธอไม่รู้สึกอายหรือเมื่อพบปากกับคนแปลกหน้าเธอไม่รู้สึกอายหรือตอนที่เธอถามคำถามนี้เธออายไหมหากเธอต้องขึ้นมาบนเวทีนี้ เหมือนที่ฉันนั่งพูดอยู่ตรงนี้เธอจะไม่รู้สึกอายหรือเคอะเขินไม่ชังักงินหรือเวลาที่เธอกําลังเดินไปและบังเอิญพบเห็นต้นไม้ที่สวยงามดอกไม้ที่ดูละเมียรละไม่หรือนกที่อยู่บนรังของมันเธอเห็นไม่ว่าเป็นการดีที่รู้สึกอายแต่สําหรับพวกเราส่วนใหญ่ ความอายแสดงถึงการรู้สึกสำนึกในความเป็นชั้นเมื่อเราพบคนใหญ่คนโตเข้าสักคนถ้ามีคนอย่างนั้นอยู่นะเราก็จะเกิดความรู้สึกสำนึกว่าเป็นตัวเราเราจะคิดว่าเขา้าช่างเป็นคนสําคัญเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังในขณะที่ตัวฉันเองไม่มีความสําคัญอะไรเลย เราจึงรู้สึกอายซึ่งคือรู้สึกถึงความเป็นตัวเราแต่มีความอายอีกชนิดหนึ่งที่แตกต่างออกไปเป็นความละเอียดอ่อนนุ่มนวลความอายชนิดนี้จะไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวตนของเรา